เคยเป็นทั้งผู้ดีน้ำตาเคยท่วมบ้านท่วเมืองมาแล้วกระดูกทับถมแผ่นดินนี้หาที่ว่างสักเท่าปลายเข็มหมุดจะปักลงก็ไม่พบเปรียบกับชีวิตนี้เพียงชาติเดียวชีวิตนี้จึงน่อยนักจะห่วงใยแสวงหาอะไรอีกมาให้ชีวิตนี้ที่จะสําคัญกว่าการห่วงหาทางหนีมือแห่งกรรมที่ทําไว้มากมายในอดีตชาติแทบทุกคน มีชาติในอนาคตที่ไกลออกไปพ้นความรู้เห็นของใครทั้งหลายจะเกิดเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ได้ทั้งสิน้นตามอำนาจของกรรมที่ได้ทำไว้แล้วทั้งที่ทำในอดีตชาติและที่ทำในชาตินี้สาคัญที่ว่าได้ทากรรมใดมากกว่าแรงกว่าสาคัญกว่ากรรมนั้นก็จะส่งผลมากกว่าเร็วกว่าและหนักแน่นมั่นคงกว่า ถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ความสุขความเจริญมีบุญห้อมล้อมรักษาถ้าเป็นกคำชั่วก็จะให้ความทุกข์ความเสื่อมโทรมมีบาปห้อมล้อมรังควานชีวิตนี้ที่ตกอยู่ใต้อํานาจความโลภความโกรธความหลงสแสวงหาอํานาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองอย่างไม่คำนึงถึงความถูกต้องไม่คำนึงถึงศีลทําใดๆชื่นชมสมใจแล้ว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 จิตดวงเดียวที่ปราศจากอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองที่เมื่อมีชีวิตในชาตินี้กอบโกยไว้ด้วยอานาจกิเลสจากท่องเที่ยวทุกร้อนเป็นนานนักหนานับการเวลาหาได้ไหมนับพบชาติหาถูกไหมในทุกติชีวิตนี้ที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงมั่นคงอยู่ในความดีมีศีลมีธรรม จะร่มเย็นเป็นสุขชั่วกาลนานความสุขที่จักไม่สิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตนี้ที่หน่อยหนักที่มีเวลาเพียงร้อยปีเท่านั้นโดยประมาณจิตดวงเดียวที่พรั่งพร้อมด้วยบุญกุศลจากท่องเที่ยวเบิกบานไปนานนักหนานับ ก, การเวลาหาได้ไหมนับพบชาติหาถูกไหมในสุขติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์